ก็กลาบคณะพระนเศตยผู้เป็นดวงใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอน้ำมันการคุณหลูงพ่อใหญ่ผู้เป็นประธาน <c oughs> ผู้ที่เคารพความวกเราทั้งหลายทุกคนตลอดทั้งขอนำมันการฟูนขวา ย, ยานทูทุกท่าน ปาเตลาโนเทล่าเต้าตั้งแม่ชีเจริญพรแม่ชีมาตอกุบายิกาทุกทุกทางอุฟอกฟุงมาจากไปตามสายงานไปจังหวัดมาเตะขามท้งจังหวัด โดยเอกคุยกับกฎใจจบเยภูมิแล้วเนี่หละไปที่แรกก็ไปช่วยอาจารย์ช่วยอาจารย์ดื้มหดตื้อคนบ้านพูดินอาจารย์ตกบินอยู่เท่นแล้วก็ อาจารย์ดวงศิลนี่มนไปที่วัดท่านไปช่วยทานอยู่วันหนึ่งสองวันเนี่ยก็มีพวกตังกียงวด้ต้เอ็ดก็ไปรับเอามาดูหลวงพ่อเปิดวัดจังหวัยมหาสาราคามหลวงพ่อมหาไหล ปวดปป่วย เ, เป็นเป็นบ้านบ้านเราบ้านเราเรียกว่าวัดรนะเป็นวัดงูสวัสด์นะเป็นงูสวัสดที่หลังไปหามันมันเดียวลงไปขาขาแล้วก็ออกจากท่านก็ลงไปถึงบัดหัวเข่าไปจนกว่าแล้วก็รู้สึกว่าปวดมากเลยก็ท่าน ก็เรายามมาใส่ให้หายามาใส่ให้ก็คุ้มวเราตัวเราตัวเราแล้วก็พอไม่นานก็ปวดขึ้นอีกเตะได้แต่เมื่อไรก็หยุดเมื่อนั่นแต่เมื่อไรก็หยุดมื่นั่นก็ทาไปตามาก็อ อ, อกร่อนอีกเป็นออกร่อนปวดลงไปอกินบอกให้รับบอกให้กระดมไม่ให้กินอะไร ของผิดมันนะ่ะเป็นกุ้งหรือเป็นขอหอาหารทะเลท่านก็ไม่หยุดให้มาทนอากอะไรก็กินไปแต่เพือแต่เื่อไปก็มันก็ผิดไปเรื่อยๆไปแล้วก็เอาอย่างบ้านหลายๆอย่างมาตำเข้ากันแล้วก็เอามาทาให้ก็มีแรงจะว่ายทะบายเอาเอาไปเอามาก็ปวดขึ้นมาอีกละ พคือหนึ่งขึ้นฟัดแก้งออกมาก็มาปวดปวดขึ้นก็ไปเอามาใส่ก็ไม่เป็นอะไรอีกก็เป็นอย่งนั้นแหละเมือนเป็อะไรเรเราหาเอายาหลายๆอย่างมาผสมกันผสมกันก็เอาน้ามันเถียววังมาผสมเข้ากับยาใสาใส่แต่เต็มน้ำมันเถียวก็ไ ม, ม่มันก็หยุดชั่วขณะหนึ่ง พ อ, อามาใส่กับมันนี่ก็มามาอยู่ว่าจะหายแหละเอาต่อมาอีกก็เปปวดขึ้นมาอีกล่ะระยะที่ผมห่างมะ น, นี่ก็หายหายพออยู่ได้และก็ปวดบ้างไม่ปวดบ้างแล้วก็ยาเอามาใส่พอมันวดก็ยาใส่ก็หายไปไม่ไม่ไมออกออกร้อนก็ไม่ อ, อกร้อนมีแต่ออปวด ปวดน้อยไม่ปวดมากก็ว่าจะมันจะหายหล้วผมหนุม่มก็เลยมามาบ้านนี้ก็ฟักอนั่นก็ไม่มีคนนี่แ่ละพวกทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดก็ไปทั้งก็เอามาลดไปรับไปตอนเย็นตอนไม่เข้ามากองพวกบ้านนนทข้อขออดบ้า น, น, นบ้านเดือ ที่เจ็ดตุลาธีวก็เอารถไปรับอีกว่าได้มามาช่วยงานจนถึงวันที่ตุดท้ายที่มหวาวันเนี่ยก็เลยมาในการ ป, รปฏิบัติก็ไม่มีคนที่จะเอาใจใส่เท่าไหร่อะแล้วก็พวกที่ไปพวกพรไปก็ไป ไม่ค่อยได้ไม่มาปฏิบัติ ด, ด้วยก็มีแต่พวกตรงพอร่อนี่พากันช่วยกันสามสี่องค์พากันไปอยู่กับเขาพากักเขาพักเปิดพืชเปิบัติตอนกลางวันน่ะและว้วก็ดีก็ขเขาก็เอาใจใส่ที่ดีก็พากันได้อารมณ์ไปหลายๆคนอยู่ นการบัฟเตปฏิบัตินี้ก็ต้องมัน ไ, ไม่เหมือนเดิมคือเหมือนเดิมตงแต่ก่อนอมีคนไปเปิดบัติน้อยผู้ชายนี่ก็ไม่มากไม่เกินห้าคนหกคนบางบ้านก็มีถึงถี่คนก็มีแต่พวกที่ไปในงานนั่นก็หลาย หลายอยู่ทางวัดอาจารย์ตงศิล์นี่รู้สึกว่าดีมากเลยพวกโยมก็ไปมากแล้วก็การไปการมาก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเจ้าของก็ดีดีจัดงานทำพิธีแบบนี้โอ้หน้าหน้าเคารพบูชาแท้แท้ คนไปหลายๆไม่มีคนที่จะปากแรงอะไรไ ม, ไม่ไม่มีคนมีเตะฝ่กันเดินปฏิบัติไปเรื่อยๆไปไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่พวกเนีนก็มีเนีนอยู่ที่ท่านกับท่านนั้นมีหลายคนอยู่มีเต็มมหาเลยพวกแปดประโยชนเก้าประโยคก็มีเจ็ดประโยคนประโย ค, โยคก็มีเนีน น, น้อยนะั่นแหละจบนักสันตีนักทมโธนักทําเอีว ก, ก็มี ถามดูพูดธรรมะให้ฟังเขาก็ทำเราครั้งก็ทาได้พูดได้นิดน้อยน่ะ น, นะพูดธรรมะดีๆ เ, เป็ น, นเป็นหน้าเป็นหน้าดูเป็นน่าบูชาเคารพมันแต่แทบทนนน้อยอ่ะมันทาดีน่าสงสารไม่น่าจะพูดได้ก็พูดได้โอ้ถ้าทำเป็นอย่างนี้ก็ ดีแต่วันนี้ก็ตอนกลางวันมาก็มีพวกพ่อแม่พาลูกไปไหว้ครับไปกลับไปไหว้ไปยกมือตอนกลางวันอย่างเนี้ยมันก็มาทุกวันทุกวันมาอยู่ท่านเด็กน้อยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ก็จะน่านาจ ะ, จ ะ, จะเจริญพุทธศาสนาของเราเนี่ยถ้าธรรมะเด็ ก, เ ด, กเด็กนี่ดูดกว่าดีมากเลย แล้ว น, น้อยคนจะเป็นเหมือนราจการตรงศีลนะแต่ตรงศีลนนี่จะท่านสั่งสอนดีเจ้าตัวเองก็ทําให้เขาเห็นดูด้วยหน่ากับนนาินานานยมสมพรท่านจะแท้แหละก็ไม่อยากให้หวงพ่อนี้หรอกเพราะหลวงพ่อได้สอนดึกด้วยท่านว่าอย่างนั้นถ้าคนนั้นไม่อยากให้หนีแล้วก็ฝดีเฟือนี้ก็ไป พระปณิจจ์อาจารย์ยนั่งก็บปรับอีกสองครั้งนะพวกบันทาง อ, าพ อ, พอพระพระอาจารย์มหาไหลนั่นนะเป็นเป็นเจ้าคุณนั่นแหละมีทางจําชื่อท่านไม่ได้มาพอพอดีวพวกบันเดือดก็ไปรับออกมาเลยมาวันนั้นก็ไปปูกให้พวกบัน จังหวัดร้อยเอ็ตอนเย็นๆแล้วก็อะไรมากับบ้านมาช่วยท่านตรวเสร็จแล้วก็มานี่แล้วก็มีคนเข้าหาธรรมะกอหลายแต่ว่าคนปฏิบัตินั้นมีไม่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่คนไหนที่ไปนี่เขาก็ปฏิบัติดีๆแล้วบอกอบอกไม่ให้ให้มา น, นะมีเรามาตั้งใจ ต, ต, ตั้งตั้งอกตั้งใจมาแล้วก็ขอให้พักันทำไม่ต้องไปอาะัยใครเอคําสอนคุณบาอาจารย์ก็ทนก็สอนให้ฟังแล้วพูดให้ฟังแล้วก็จําแล้วก็ไปทําปฏิวัติตามเมาใครทักทําได้ก็ได้ทําใครขี้เกียจเขาทำไม่ได้อ่ะให้พักขยั น, ยนมันเพียนเข้าเขาก็พักันทำอยู่ตลอดวันเนี่ยพวกหลวงพ่อก็ ไม่ได้เข้าไปใกล้เขาเท่าไรตอนกวันเนี้ยก็เดินก็เดินอยู่ที่นั่น ก, นก็นั่งห้องพ่อก็มิตรนั่งทําจังหวะให้เขาดูทําให้เขาอยู่กับเขาอยู่นั่นเนีลยถ้าเราไม่ไปอยู่ทีงนั้นก็เขาก็ไม่ได้นั้นบางคนกันวงวลงอเข า, านอนอเด็กตื่นก็มีทานเราไปแล้วข้มิตรไม่มีไม่ค่อยพูดกันอรึกถือว่าดีมากเพราะนั้นพวกเราก็ตั้งอกตั้งใจ อย่าเป็นผู้เห็นเจอเอพูดเจ้คุยกันมามากแล้วแหละให้ค่อยๆดูตัวใครตัวมันอย่าไปดูคนอื่นดูตัวเองคนเดียวเลยไปไหนมาไหนก็ให้พยายามเพราะคนทุกวันนี้ถ้าไม่มาศึกษาแล้วไม่ว่าเด็กจะผู้ใหญ่ก็จะพากันประพฤติให้เด็กดูแล้วก็มันก็ไปตาม ผู้ใหญ่พ า, าเป็นนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้เราพยายามให้เป็นเป็นตัวอย่างแต่พวกบ้านเรานี่คงเหมือนกันคนอื่นเขาเข้ามาก็พยายามให้มีความสามัคคีกันด้วยเพราะคนบ้านอื่นเขามาดูเราเข า, ขาเข้าขมาดูใจแข็ก็มีเนี่ย ถ้าเราฟากันมีความปองดองมีความสมัครคีมีแต่การปฏิบตัติประพฤติปฏิบัติเนี่ยเขาจะได้เอาคําพูดที่ดีๆมาฟืด ใ, ให้กันฟังแล้วเขาก็อยากมาถ้าเรามีไม่อยากถอนไม่อยากและเขาก็ไม่ได้บอกเขาเนี่ยจะมีแต่แต่แติเตียนเขาไม่ดัองอย่างนั้นก็ไม่ได้ไม่ดีไม่ต้องควรหรอกอเพราะฉะนั้นให้เราพยายามตัวเป็นตัวอย่างเขา บางคนก็บางบ้านก็ดีบางบ้านก็ไม่ดีเพราะว่าอาจารย์ฟูนํานั่นก็ไม่เข้าใจธรรมะตั้ไหต่มีแต่นิมนต์พวกอพวกคู่บาอาจารย์ไปแต่หลายคนไปเต้นกเกยเฉยก็มีไม่ไม่ทํางานทํางานเลยเพลี่ยนในเวลากินข้าวก็มีบางวานันบางบ้านก็ดีดีนั่นนะพวกเราอย่าทําเปลี่ยนนั้น พวกฝาพกเน้นแล้วนี่แหละให้สำคัญจับไปฟ้ากันไปเล่นเราก็ไปไหนเข้าก็าาาหมู่บ้านเป็นปฏิบัติธรรมะแล้แหละแล้วก็ให้เอาใจใส่อย่าไปเล่นอย่าไปเล่นมาฝึกปฏิบัติให้มันได้เข้าใจในพระพุทธศาตนาของเรานี่นไปอยู่ติดกะเปียด คำหยุดหรือกับเบียรพุทธตตนะตเตศนะต้นเขียนมัก็ไม่อยู่ในก็ไม่เห็นคือมาเห็นชีวิตจิตใจของเราเนี่ยแหละเอเราทําเองดูดูดูกิต ด, ด, ด, ดูใ จ, ใจใตัวเองมันเป็นให้มันแล้วก็ให้รู้เนี่ยน้องปู่ท่านสอนนอ้ฟท่สอนให้ดูทว่วมรู้ตืกการเคลื่อนไหวใจรับรู้โดยวิธีใดก็าตามเนี่ยให้เราพยายามทําเออย่าไปเห็นแต่ความอยากได้อยากได้นั้นมันไม่ได้หรอก ทำให้มันลูกเฉยๆกายเคลื่อนไหวโดวยวิธีใจก็หาใจมันรูปไปเรื่อยแล้วก็ให้ขยันขยับย่ายยับเกียร์คันความเพียกายเกลียร์ที่ข้านความมันออกนอกกายไปนะเป็นความหลงเรื่องนั่นแหละให้เรามาอยู่กับกายของเราอ่ากายด้วยพอยกขึ้นเนี่ยมันก็เข้ามาหรอกถ้าเราเข้าใจอ่ะยกขึ้นหรือเฉยไม่เอาอะไรรูปเฉย แล้วก็ให้ลูกจากกายนอกกายในให้ได้เห็นให้เข้าใจมันเคลื่อนไหวนั่นนะเคลื่อนไหวไปมาให้เห็นให้เห็นชัดๆัดแล้วก็เป็นผู้รู้เฉยอย่าเป็นผู้เป็นอมันดีก็มีอันชั่วก็มีมันก็สอนเราไปหมดนั่นแหละมันสอนเราเออมีตาหวัวจมูกรื่นกายใจนี่มันก็สอนเราแต่ว่าเราไม่รู้จักเราก็เป็นผู้เป็นมันกลับไปกับมันนั่นแหละเพราะว่าให้นั่นแหละ มาเดินอยค่กมนี่ก็เดินอยูมนี่ก็มันคิดออกไปนอกนี่ก็ดูดูยกมื อ, อยุ่นี่ก็เพื่อไม่ให้มันลืมนึกเองเคยมันมีสตินั่นเองก้าวจ้างสติคือเจริญให้มันเจริญไม่ก้าวหน้าให้มันขยันถ้าเราดจะไปออกนี้ยกตัวรู้สึกเนี่ยถ้าออกนี้รู้ตัวรู้สึกนะมันจะมีอันอื่นขึ้นมาอีกเอ ถ้าอยู่กับตัวรู้ตืน่นนี้มันมีที่พึ่งที่อาศัยแล้วก็มันก็จะอบอุน่นเย็นอกเย็นใจไปไหนมาไหนก็ให้มันรู้จะยืนจะนั่งจะนอนจะเคลื่อนไหวไ ป, ไปมาที่ไหนก็ให้มันรู้ดูแล้วก็มันออกไปแล้วก็รู้จั ก, จกมันเข้ามาแล้วก็รู้จั ก, จกเปลี่ยนหลวงเป็นลูกอย่างที่ท่านหลวงปู่หลวงพ่อท่านพนูนให้ฟังอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ ผมอยากฟังตั้งแต่หลวงปู่ท่านพูดเนี่ยคุณญาติพ่อโ ย, ย, ยมก็จะมาอยากมาดูตลวงปู่มาด้วยก็มีมาจากที่น้ําถังโน่นแหละทังน้ําน้ําอะไรนะน้ําเย็นเหีอะไรเอ <c oughs> าน้ำหนาวอ่ะ มาทางน้ำหนาวนั่นเยอยากจะให้หลวงปู่ท่านลองพูดให้ฟังหลวงพ่อ ป้าใหเป็นนักสอนทอมเต่าไปสอนทอมด้สองเดือนแล้วเดินสายเดินสายไปทั่วสายงานหลวงพ่อเทียนทุกปีทุกวัน แต่เดือนพิกี่กาตอนบาบกกลานี่ตามสาขาต่างๆเปิดปฏิบัติสอนกรรมฐ า, านกันเดี๋ยวนี้เวลานี่วัดใดบุคคลใดพ้านใดไม่มีการปฏิบัติถือว่าล่าสมัยกันแล้ว เขาเป็นสร้างมรกสร้างผลกันแล้วคนทุกวันนี้แต่ถ้าวัดใดไม่ดูแลสิ่งแวดลอ้อมก็ถือว่าราสมัยที่งน้าที่ในพวกเราจึงดูหน้าดูหลังโดยเฉพาะปฏิบัติธรรมนี่ เป็นความจำเป็นเรื่องคอขาดปาตา ย, ตายก็ว่าได้วิตเรามันไปเรื่อยไปเจอความแก่ความเจ็บความตายเราจะต่อวันแจ่วันเจ็บวันตายที่เป็นทุกข์อยู่วงหน้าเรา บ่าเป็นสมควรที่จะรออย่างนั้นตั้งเอกชนะให้ได้อยาให้ความเจ่น้ำไปอยาให้ความเจ็บน้ำไปอยาให้ความตายน้ำไปมาเป็นทุกข์เอาทมน้ำไปเอาพระทมน้ำไปเช่นเราปฏิบัติทมน้ำไปเวลามันหลงทมคือความรู้สึกตัวเป็นแม่ของทมน้ำไป ส่วนมไม่หลงได้ทางแม่แต่ดิบรีนั่นลหละไปทั้งนั่นลหละจะสว่างออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆ <c oughs> ก็ให้แวกไปสักหน่อยเพราะเปิดทางทางเปิดใหม่ก็ต้องแวกออกไปเพียนพยายาม ทาเดินทางชีวิตของเราไปสู่ความไม่เจ็บไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายอาจจะไม่โล่งเตือนเหมือนทางไปสู่อาบายเพราะมันเคยกินอาจจะเป็นอย่างนั้นเคยต่ความหลงเคยต่อความโกรธเคยต่ค ว, ค, ตความทุกข์นี่จะ หลงหลง่ายที่จะโกรธง่ายที่จะทุกข์เพราะไม่เคยฝึกตนสอนตนเราจึงต้องมาฝึกหัดเริ่มแรกก็ต้องทวนกระแสไม่เป็นลายมีธรรมนำทางเหมือนขุนแก่ก็ว่าได้ขุนเจอด อ, อ, อกเอกเปิดได้ สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจตรานี้มีสติเปิดผ่านได้ทุกลูกทุกแบบเลยเกิดขึ้นมากอนจะมีสติต้องฝึกหัดเพื่อจะได้ช่สติมันก็จะริญนงอกงามไปถึงปัญญาเป็นสินเป็นสมาธิปัญญาน่นงงอกงามไปเรื่อยๆ จเจริญไปเรื่อยๆเดินทางไปเรื่อยพบทางไปเรื่อยๆเอ็นหวนก่อนนะพูดถึงมรรคเนี่ยมันช่วยจริงๆเป็นทางของชีวิตจริงๆองค์มรรคเนี่ยองค์มรรคก็คือเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเนี่ยแต่ น, นเดียวกันเดียกุบเดียว อาศัยมักพาทพาให้เห็นพาให้รู้พาให้ถูกไปสูจุดหมายปลายทางตั้งแต่คิดขึ้นมาเป็นใหญ่แล้วลุกกระ้นแล้วคิดชอบขึ้นมาคิดผิดไม่เป็นคิดเป็นทุกข์เป็นโทษไม่เป็นไในที่เราได้ทางเราเห็นทางโชว์ให้เห็นแล้ว เห็นอกุศลเห็นกุศลโชบบอกทางเป็นกุศลโชบบอกทางอากุศลบอกขีดขีดเส้นเวยตายตัวเลยไม่ถูกต้องกุศลถูกต้องไปทางนั้นคิดชอบขึ้นมาพระอ้จาชอบขึ้นมา ช่วยไปเอทั้งหมดรวมลงที่ทางเลยทีเดียวจุนี้เป็นไหนได้ที่นี่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะสู่มอกสูผลเลยปฏิเชธไม่ได้แล้วเหมือนคนเดินทางก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางไปทางเดียวก็ทแท้ๆอุ่น อ, อกอุ่นจอจ โอพระพุทธเจ้าก็ไปทางนี้ตั้งแต่พระกุกสันโถโกโนาคามโนกัดสโปโคตโมไปทางนี้พระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ไปทางนี้บรุรพาจารย์ครูอาจารย์ก็ไปทางนี้รู้กันฉนเดินทางเส่นเดียวกันก็ต้องรู้กันเป็นอย่างไร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 แล้วก็มีความคิดมีการพูดจามีการการชอบมีการอยู่การจนินการใช้ชีวิตชอบเรื่องชีวิตโดยชอบมีในชีวิตของเรานี้ชีวิตมันมีรูปมีนามมก็มี กระบวนการที่ใช่รูปชื่อนามนี่รวมเป็นหนึ่งคือมรรคปฏิบัติคือเห็นเห็น พ, เห น, นพบเห็นพบเห็นก็ว่าพบเห็นคือทั้งหมดแล้วอะไรเกิดขึ้นมาพบเห็นไม่ใช่แบบคิดเห็นการเห็นนี่คือทาง เห็นแล้วไม่เป็นไปแล้วไปแล้วไม่อยู่ที่เขาแล้วค้นไปแล้วหลุดไปแล้วเหมือนพระจันทร์สองแสงชีวิตเหมือนจันทร์สองแสงไม่มืดการคิดก็เหมือนพระจันทร์สองแสงการคุยจ a เหมือนจันทร์สองแสงกันกระทาการเลี้ยงชีวิต บอกหดอกอกมดความพรามเห็นเห็นถูกความผิดก็เกิดขึ้นในยากแต่ในความเห็นถูกล้วไปได้เลยเหมือนลุ่งอรุณแสงเงินแสงทองของทองฟ้าดวงอาทิตย์จะขึ้นแล้วจึงมีโอกาสที่จะต้อง เหนกระแสแห่งมรรคแห่งผลได้ทุกชีวิตถ้าเราปฏิบัติทมนำไปอาศัยทมนำไปมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรมีความตั้งใจ ก็มีกำลังมากเลยง่ายเพื่อการนี่โดยตรงชีวิตของเรานี่มีรูปมีนามมีกายมีใจมีอาการหลังต่างที่เกิดขึ้นที่รูปที่นามช่วยเราบอกผิดบอกถูกถ้าเราได้เห็นเรามีสติแล้วจึงจำเป็นมากชีวิตของเราเน่ย อย่าประมาทอันนี้ก็บมดปแล้วตั้งแต่ทำบ้านมานี้ปีสี่ก็บมดไปแล้วเราทํามาหลายอยู่แต่ผู้นี้ความเพียรก็ไปได้ไกลาเหมือนม่ามีผีเท่าดีและม่าที่ไม่มีกําลังหม้ามันมีกําลังก็ไปได้ช้าๆหม่ามีกําลังก็ไปได้กลามีละมีชะธา สัทธาภ لا, เวิยภล ا สติภ لا, สมาธิภ ل ะปัญญาภละยิ่งใหญ่เป็นแหลง่งเครื่องทุ่นแรงสำหรับทำความดีไม่ทอทั้งไม่ร่มเทธิ์จงต้องพัฒนาตัวเอง อย่าเฉื่อยชาอย่าที่จะที่กานยันมันเพียนอสมควรแลววันนี้เนาะยิ่งเราได้ชดวุตบอคนของพระเจ้าลอยบทวิช่ัยชดวดไหมข้ามไปไหมหบดเลยในวันดูไ ห, นนะหมัฮดีนะ อาการปวดจะขึ้นใหญ่บ้างก็ดีนะอะขอบ